ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส1บอพระสูตรที่สองอุทุมภริกสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในปริภาชการามซึ่งนางอุทุมภริกาสร้างถวายอธิบายเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องในพระสูตรนี้คือสันทานคขรหบดีซึ่งเป็นคนสำคัญมีบริวารมากเป็นอนาคามีบุคคล คือพระอริยบุคคลชั้นที่สรองลงมาจากพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคตรสัสสรรเสริญปรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม2 2สองว่าประกอบด้วยคุณธรรม6กอย่างคือมีความเลื่อมใสในพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลอันประเสริฐมีญาณความรู้อันประเสริฐมีวิมุตติความหลุดพ้นอันประเสริฐ พระผู้มีพระภาคประทับนักเข่าคิจกูดใกล้กรุงราชครืสันทานคฤหาบเบอร์ดีออกจากกรุงราชครืจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในเวลากลางวันแล้วแวะเข้าไปหานิโคราทบริพาชกซึ่งกำลังอยู่กับบริษัทใหญ่ประมาณสามพันคนกำลังกล่าวถ้อยคำที่เป็นเรื่องภายนอกของสมณนะคือติรชานกถาด้วยเสียงอันดัง เมื่อเห็นสันทานะคระหบดีเข้ามาก็สั่งกันและกันให้สงบเสียงเพราะข้าระหบดีผู้นี้เป็นสาวกป่ายข้ารหัตที่อยู่ในกรุงราชครืคนหนึ่งของพระสมณโคดมและเป็นพวกที่ไม่ชอบเสียงดังพันนาคุณของความเป็นผู้มีเสียงน้อยเมื่อรู้ว่าบริษัทมีเสียงน้อยก็จะพึงเข้ามาหาเมื่อสันทาน้คระหบดี เข้าไปหานิโครธปริพาชกกล่าวสัมมูธนียกถาปราศัยกันเสร็จแล้วก็กล่าวว่านักบวชลัทธิอื่นคืออัญญะดิรธีปริพาชกที่ประชุมกันส่งเสียงอื้ออึงเป็นคนละอย่างกับพระผู้มีพระภาคผู้เสพเสนาสนะอันสงัดนิโครธปริพาชกจึงตอบว่าพระสมณะโคดมจะสนทนาโต้ตอบ แสดงความสามารถทางปัญญากับใครได้ปัญญาของพระสมณโคโดมถูกกำจัดเส้นแล้วในเรือนว่างจึงไม่กล้ากล่าวลงสู่บริษัทไม่ควรที่จะโต้ตอบได้แต่เสพเสนาสะนะอันสงัดเหมือนโคตาบอดที่หนีไปอยู่ป่าลึกเสพเสนาสะนะอันสงัดโดยใจความว่าการที่เสพเสนนาสะนะอันสงัดก็เพราะไม่มีปัญญาจะโต้ตอบกับใคร จึงต้องเลี่ยงหนีประชุมชนเหมือนโคตาบอดที่กลัวถูกทำร้ายต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในที่เปลี่ยวนิโครธะปริภาชคกล่าวต่อไปว่าขอให้พระสมณโคดมมาสู่บริษัทนี้เถิดเราจะสนทนาด้วยซักปัญหาหนึ่งจะหมุนเสียให้เหมือนหม้อเปล่าทีเดียว พระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับถ้อยคําสนทนาของทั้งสองฝ่ายด้วยพระโสธาอันเป็นทิพย์จึงเสด็จลงจากเขาคิชสกูดเสด็จจงกรมในที่แจ้งริมฝั่งน้ำสุมาคตานิโครธปริภาชกเห็นเช่นนั้นก็เตือนบริษัทให้สงบเสียงและกล่าวว่าถ้าพระสมณะโคดมเสด็จมาตนจะถามปัญหาเรื่องธรรมะที่ทรงสแสดงแก่สาวก ให้มีความปลอดโปร่งใจในการประพฤติพรหมจรรย์เบื้องต้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมหานิโครธปริพาชกได้รับการต้อนรับปราศัยเป็นอันดีได้รับนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะส่วนนิโครธปริพาชกนั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าสำหรับข้อนี้มีหลายสูตรที่เจ้าสำนักปริพาชกเชิญให้พระพุทธเจ้าประทับบนอาสนะ แล้วตนเองนั่งบนอาสนะต่ำกว่าจะเป็นด้วยถือว่าทรงเป็นกษัตริย์หรืออย่างไรเป็นเรื่องน่าสังเกตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไต่ถามว่าสนทนาอะไรค้างอยู่ปริพาชกจึงกราบทูลว่าพูดกันว่าถ้าพระองค์เสด็จมาจะถามเรื่องธรรมะที่แสดงแก่สาวกให้มีความปลอดโปร่งใจในการประพฤติปรมาจารย์เบื้องต้น รัตอบว่าเป็นการยากที่ท่านผู้มีความเห็นอย่างอื่นมีความพอใจอย่างอื่นมีความประพฤติอย่างอื่นมีอาจารย์อย่างอื่นจะเข้าใจได้ท่านจงถามปัญหาในลทัทธิอาจารย์ของท่านเองอันเกี่ยวด้วยการเกลียดชังความชั่วโดยการบำเพ็ญตบะดีกว่าพวกปริภาช ก, ก็อืออึงขึ้นกล่าวกันว่าน่าอัศจรรย์ ที่พระสมณะโคดมเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากไม่ตอบปัญหาในลัทธิของตนแต่กลับปรวรณาคือขอให้ถามในลัทธิของผู้อื่นนิโครทะปริพาชกสั่งให้ปริพาชกเหล่านั้นสงบเสียงแล้วถามว่าพวกข้าพเจ้ามีวาทะเกลียดชังความชั่วโดยการบำเพ็ญตบะคือตะโปชิกุจฉวาทะ ยึดความเกลียดชังความชั่วโดยใช้ตบะหรือความเพียนอยู่ประพฤติอย่างไรจึงจะสมบูรณ์อย่างไรจึงไม่สมบูรณ์พระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบตามลัทธิของเขาเช่นเลื่อยกายยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะและกินอาหารเลียมือที่เลอะอาหารแทนการล้างเป็นต้นแล้วตรัสถามว่าประพฤติอย่างนี้ ชื่อว่าบริบูรณ์หรื อ, อยังปริพาชกกราบทูลว่าบริบูรณ์แล้วแต่กราบตรัสว่าจะทรงชี้ข้อเศร้าหมองในการปฏิบัติอย่างนี้ที่ถือกันว่าบริบูรณ์แล้วให้ฟังปริพาชกถามว่าจะทรงชี้ข้อเศร้าหมองในการปฏิบัตินี้อย่างไรตรัสตอบว่าหนึ่งการที่บำเพ็ญตบะแล้วอิ่มเอิบใจ เต็มความปรารถนาด้วยตบะนั้น2ยกตนข่มผู้อื่นเพราะตบะนั้น 3. มัวเมาเพราะตบะนั้น 4. ทํทำลาบสักการะและชื่อเสียงให้เกิดเพราะตาบะนั้นแล้วอิ่มเอิบใจด้วยความปรารถนาด้วยลาบสักการะและชื่อเสียงนั้น 5. ยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาบสักการะและชื่อเสียงนั้น หมัวเมาเพราะลาบสักกะและชื่อเสียงนั้น 7. แบ่งแยกในเรื่องอาหารว่านี้ชอบใจนี้ไม่ชอบใจอันไหนไม่ชอบใจก็เพ่งเลงละทิ้งอันไหนชอบก็ติดใจไม่เห็นโทษ 8. บำเพ็ญตบะเพราะใกล้จะได้ลาบชื่อเสียงเพื่อให้พระราชามหาอมาตกษัตริย์รามขเรห บ, บดี เดียรถีสักการะตน 9. รลุกรานสมณพราหมางพวกด้วยเรื่องการบริโภคพืชผลไม้ 10. พริษยาและตรณีในสกุลเมื่อเห็นสมณพราหมางพวกมีผู้สักการะเคารพนับถือ 11. นั่งแสดงตนในทางที่คนผ่านไปมา 12. พูดไม่แสดงความจริง ชอบว่าไม่ชอบไม่ชอบว่าชอบ 13. เมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมไม่ยอมรับปริยายที่ควรยอมรับสําหรับข้อนี้ในพระพุทธศาสนาถ้าใครกล่าวถูกตรงตามความจริงก็ถือว่ากล่าวถูกต้องไม่มีการปฏิเสธความจริงเพียงเพราะผู้พูดเป็นคนในศาสนาอื่น 14. เป็นคนมักโกรธและผูกโกรธ 15. เป็นคนมักลบหลู่บุญคุณท่านและตีเสมอ 16. เป็นคนมักริษยาและตรนี 17. เป็นคนโอ้อวดและมีมายา 18. เป็นคนกระด้างและดูหมิ่นท่าน 19. มีความปรารถนาลามก ตกอยู่ใต้อำนาจของความปรารถนาลาโมกยีสมีความเห็นผิดประกอบด้วยความเห็นยึดส่วนสุดยีอยึดแต่ความเห็นของตนถือมั่นสลัดยากแต่ละอย่างนี้เป็นความเศร้าหมองของผู้บำเพ็ญตะบะครั้นแล้วตรัสถามว่าการเกลียดชังความชั่วโดยบำเพ็ญตบะดังกล่าวมานี้ จะนับว่าเศร้ามองหรือไม่นิโครัทปริภาชกยอมรับว่าเป็นความเศร้ามองมีฐานะที่ผู้บาเพ็ญตบะบางคนอาจประกอบด้วยความเศร้ามองครบทุกข้อจึงไม่ต้องกล่าวถึงเพียงข้อใดข้อหนึ่งว่าจะมีใครไม่มีความเศร้ามองนี้บ้างเลยต่อจากนั้นทรงแสดงการบำเพ็ญตบะที่บริสุทธิ์คือที่ตรงกันข้ามกับ21ดข้อข้างต้น นิโครธาบริภาชกยอมรับว่าเป็นการเกลียดชังความชั่วโดยบำเพ็ญตบะที่บริสุทธิ์ถึงความเป็นยอดและเป็นสาระแต่พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่ายัางไม่ใช่ถึงความเป็นยอดหรือสาระแต่ถึงความเป็นสเก็ตเท่านั้นนิโครธปริพาชกขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีบำเพ็ญตบะ ที่ถึงความเป็นยอดหรือเป็นแก่นจึงทรงแสดงความสังวรสี่ประการคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช้ให้ฆ่าไม่ยินดีต่อผู้ฆ่า 2. ไม่ลักทรัพย์ไม่ใช้ให้ลักไม่ยินดีต่อผู้ลัก 3. ไม่พูดปดไม่ใช้ให้พูดปดไม่ยินดีต่อผู้พูดปด 4. ไม่เสพกรรมคุณไม่ใช้ให้ผู้อื่นเสพ ไม่ยินดีต่อผู้อื่นเสพและทรงแสดงการเสพเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งหรือที่อยู่อาศัยอันสงัดนั่งทมสติกำจัดนิวรณ์ห้าคือหนึ่งอภิชาความอยากได้สองพยาบาทความปองร้ายสถทีนมิทะความหดหูง่วงงุนสอุทธจักุบกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจ หาวิจิกิจชาความลังเลสงสัยเมื่อละนิวรณห้าได้เมื่อความเศร้ามองแห่งจิตลดน้อยลงเพราะปัญญาแล้วก็เจริญพรมวิหารสีแผ่ไปทั่วทุกทิศสู่โลกทั้งสิน้นครั้นแล้วตรัสถามว่าเท่านี้การบำเพ็ญตบะจะชื่อว่าบริสุทธิ์หรือไม่กราบทูลว่าบริสุทธิ์ถึงความเป็นยอด แต่ตรัสตอบว่ายังไม่ถึงความเป็นยอดเป็นสาระถึงเพียงแค่เปลือกเท่านั้นสำหรับนิวรห้าในข้อนี้พึ่งสังเกตว่าในที่นี้ไม่ใช่คำว่ากามะชันทะคือความพอใจในกามแต่ใช้อภิชาแทนนิโครทะบริภาชกขอให้พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงวิธีบำเพ็ญตะบะที่ถึงความเป็นยอดหรือเป็นแก่นจึงตรัสแสดงข้อปฏิบัติต่ตอไปโดยท้าวความการปฏิบัติข้างต้นและแสดงการได้ผลคือการระลึกชาติได้ตั้งแต่หนึ่งชาติถึงแสนชาติและหลายกับและตรัสว่าเป็นเพียงกะพีเมื่อทรงถูกขอร้องให้แสดงต่อไปอีกจึงตรัสถึงการได้ผล คือทิพยะจักสุและทรงสรุปว่าการบำเพ็ญตบะอย่างนี้ถึงความเป็นยอดเป็นแก่นแล้วทรงสรุปต่อไปว่าเป็นอันตอบปัญหาครั้งแรกที่นิโครธะปริภาชกทูลถามที่ว่าทรงแนะนำสาวกด้วยธรรมะอะไรให้มีความปลอดโปร่งใจในการปฏิบัติพรหมจรรย์เบื้องต้นคือทรงแนะนำถึงฐานะอันยิ่งกว่า ปราณีตกว่าที่แสดงไว้นี้อีกปริภาชกทั้งหลายก็แสดงความประหลาดในที่ตนไม่เห็นไม่รู้ฐานะที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้คือยิ่งกว่าการได้ทิพยะจักรสุที่ว่าเป็นยอดแล้วยังมีอะไรยอดขึ้นไปอีกสำหรับเรื่องนี้เป็นการตอบปัญหาทีเดียวได้ผลสองทาง คือตอบปัญหาแบบชี้ให้เห็นความบกพร่องในลัทธิของปริพาชกนั้นด้วยความรับรองของพวกเขาเองอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นการตอบปัญหาเดิมที่เขาถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยสันทานะครหบดีจึงกราบทูลทบทวนถึงข้อที่นิโครทปริพาชกกล่าวกระทบกระทั่งพระผู้มีพระภาคในตอนแรก ซึ่งทำให้นิโครธปริภาชกนั่งนิ่งเก้อเขินพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ากล่าวไว้อย่างนั้นจริงหรือไม่นิโครธปริภาชกรับว่าจริงและกราบทูลขออภัยจึงตรัสถามให้ตอบด้วยความจริงใจถึงท้อยคำของพวกปริพาชกเก่าๆว่าเขาเกล่าวถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตว่าชอบส่งเสียงดัง พูดเรื่องไร้สาระหรือว่าชอบสงบอยู่เสนาสนะอันสงัดนิโครทะปริภาชกก็ยอมรับว่าเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงปฏิบัติเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคในปัจจุบันถึงตรัสสรุปว่าวินยูชนผู้สูงอายุนั้นหมายถึงปริภาชกโบราณไม่ได้คิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้ทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกคือให้ผู้อื่นฝึกตนเองทรงสงบระงับแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบระงับทรงข้ามพ้นแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการข้ามพ้นทรงดับเย็นแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความดับเย็น นิโครทัปริพาชกจึงกราบทูลขออภัยซ้ำอีกพระผู้มีพระภาคตรัสประทานอาภัยแล้วจึงทรงแสดงการปฏิบัติอย่างได้ผลในพระธรรมวินัยนี้ภายในเจ็ดปีถึงเจ็ดวันแล้วตรัสว่าไม่ได้ทรงประสงค์จะได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ได้ทรงประสงค์จะให้เขาเลิกเรียนในแบบปริพาชกไม่ได้ทรงประสงค์จะให้เลิกจากอาชีวะ คือการดำรงชีวิตแบบปริภาชกไม่ได้ทรงประสงค์จะให้ตั้งอยู่ในอกุศลธรรมถ่ายถอนจากอกุศลธรรมหากทรงแสดงธรรมเพื่อให้ละอกุศลธรรมเมื่อปฏิบัติอย่างไรจะละอกุศลธรรมได้ธรรมะอันพองแผ้วจะเจริญขึ้นก็จงทําให้ปัญญาบริบูรณ์ทาให้แจ้งความไพยบู์อยู่ในปัจจุบันเถิด